มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาอุปมากถาปัญหาบทมาติกาเรื่องถามว่าภิกษุที่สำเร็จพระอรหันต์กอบด้วยองค์กี่อย่างวิสัชนาตั้งเป็นบทมาติกาว่าให้ถือปฏิปทาเปรียบด้วยองค์ต่างๆ มีองค์แห่งลามีเสียงพิลึกเป็นต้นบทมาติกาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์มหาศารจึงมีพระราชองค์การถามพระนาคเสนสืบต่อไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชายานพระภิกษุซึ่งท่านสำเร็จพระอรหันต์นั้นกตีหังเคหิประกอบด้วยองค์กี่ประการ พระนาคเสนจริงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าลักษณะพระโยคาวจรเจ้าจะกระทําให้แจ้งซึ่งพระอรหัสนั้นพึงถือเอาองค์อันหนึ่งแห่งลาซึ่งมีเสียงอันพิลึกลำดับนั้นพึงถือเอาองค์ห้าแห่งไกและองค์อันหนึ่งแห่งกระแตและองค์อันหนึ่งแห่งแม่เสือเหลือง และองสองแห่งพ่อสือเหลืองและองห้าแห่งเตาและองอหนึ่งแห่งปีและองอหนึ่งแห่งแหล่งปืนและองหนึ่งแห่งกาและองสองแห่งวานอนนี้เป็นวักที่หนึ่งประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งน้ำเต้าอันมีประการหนึ่งและองค์แห่งปฐุมชาติมีสามประการ และองค์แห่งพืชมีสองประการและองค์แห่งไม้ขานางมีประการหนึ่งและองค์แห่งนาวามีสามประการและองค์แห่งนาวาที่ติดโสโครกอยู่มีสองประการและองค์แห่งเสากระโดงมีประการหนึ่งและองค์แห่งลาต้าต้นหนมีสามประการและองค์แห่งคนทําการงานมีประการหนึ่ง และองค์แห่งมหาสมุทรมีห้าประการนี้เป็นวรรคที่สองประการหนึ่งพระโยคาว จ, จรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งแผ่นดินห้าประการองค์แห่งน้ำห้าประการองค์แห่งเพลิงห้าประการองค์แห่งลมห้าประการองค์แห่งภูเขาห้าประการองค์แห่งอากาศห้าประการองค์แห่งพระจันทร์ห้าประการ องแห่งพระอาทิตย์เจประการองแห่งพระอินทร์สามประการองแห่งพระเจ้าจักรพรรดิสี่ประการนี้เป็นวรรคที่สามประการหนึ่งพระโยคาวะจอ์เจ้านั้นพึ่งถือเอาองแห่งปลวกประการหนึ่งองแห่งแมวสองประการองแห่งหนูประการหนึ่งองแห่งแมลงป่องประการหนึ่งองแห่งพังพรประการหนึ่ง องแห่งสุนักจิ้งจอกสองประการองแห่งเนื้อสามประการองแห่งโคสี่ประการองแห่งสุกรเทือนสองประการองแห่งช้างห้าประการนี้เป็นวรรคที่สประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองคแห่งมาแงมุมอยู่ริมทางหนึ่งองแห่งทารกที่ดูดนมมารดาหนึ่งองแห่งเต่าเหลืองหนึ่ง องค์แห่งป่าห้าองแห่งต้นไม้สามองแห่งเมฆห้าองแห่งแก้วมณีสามองแห่งพรานเนื้อสี่องแห่งพรานเบ็ดสององแห่งช่างถากหนึ่งนี้เป็นวัคที่หกประการหนึ่งพระโยคาวาจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งหม้อหนึ่งองแห่งกาลักน้ําสององแห่งฉัดสามองค์แห่งนาสาม องแห่งยาดับพิษงูสององแห่งโพชนะสามองแห่งนายขมังธนูสี่องแห่งพระราชาสี่องแห่งนายประตูสององแห่งหินบทหนึ่งนี้เป็นวัคที่เจ็ดประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นเพึ่งถือเอาองค์แห่งประทีบสององแห่งนกยุงสององแห่งโคอุสุพระราชสององแห่งม้าสอง องค์แห่งบ่อน้ําสององแห่งเขื่อนสององแห่งคันช่างสององแห่งพระขันสององแห่งชาวประมงสององแห่งกู้นี่หนึ่งนี้เป็นวรรคที่8ปดประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งคนอันเป็นพญาที่สององแห่งหุนทางสององแห่งแม่น้ําสององแห่งมหโหรสพหนึ่ง องค์แห่งบาทสามองแห่งของเสวยหนึ่งองแห่งโจรสามองแห่งเหยี่ยวนกขาหนึ่งองแห่งสุนัขหนึ่งองแห่งคนรักษาโรคสามองแห่งหญิงมีคันหนึ่งนี้เป็นวักที่เก่าประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งนกจามารีหนึ่งองแห่งนกกระต้อยตีวิทสององแห่งนกพิลาบสอง อง์แห่งนกตาข้างเดียวสององแห่งคนไทนาสามองแห่งสุนักจิ้งจอกชาติชมพุ ก, กะหนึ่งองแห่งผ้ากรองด่างสององแห่งทัพพีหนึ่งองแห่งคนใช้นี่แล้วสามองแห่งอวิจีนิกะหนึ่งนี้เป็นวัรที่สิบประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาอง์แห่งนายสารถีสององแห่งช่างหูกหนึ่ง องแห่งมัธยิกะหนึ่งองแห่งโพชนกะสององแห่งช่างชุนหนึ่งองแห่งนายเรือหนึ่งองแห่งแมลงผู้สองนี้เป็นวรรคที่สิบอ็ดจบบทมาติกาคือแม่บทแต่เพียงนี้